พระวจักล้อแห่งภพก็เหตุใดในปฏิจจสมุปบาทเทสนานี้ปกินนกะธรรมมีโสกะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในเบื้องปลายเหตุนั้นอวิชชาที่ตรัสไว้ในเบื้องต้นแห่งพวะจักนั่นว่าอวิชชาปัจญาสังขาราดังนี้อวิชชานั้น ก็เป็นไปคือมีได้เพราะโสกะเป็นต้นนั่นเองอันว่าเพราะวาจากนี้บัณฑิตพึงทราบว่ามีเบื้องต้นไม่ปรากฏปราศจากบุคคลผู้สร้างและบุคคลผู้เสวยผลว่างเปล่าโดยสุญญตา12บสองประการย่อมหมุนไปเสมอเป็นเนืองนิดจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอระหรันต หากมีคำปุจชาว่าก็ในปฏิจจสมุปบาทเทศนานี้อวิชชามีได้เพราะโสกะเป็นต้นอย่างไรเพราะว่าจากนี้มีเบื้องต้นไม่ปรากฏอย่างไรปราศจากบุคคลผู้สร้างและบุคคลผู้สวยผลอย่างไรว่างเปล่าเดสุญญาตาสิบสองประการอย่างไรดังนี้ไซคำวิสัชนาพึงมีว่า อวิชามีเพราะโสกะเป็นต้นได้ก็ในปฏิจจสมุปบาทธรรมทั้งหลายนี้โสกะปริเทวะทุกขโทมานตสอุปายาทย่อมมีแก่บุคคลผู้ยังไม่พากจากอาวิชาอันปริเทวะเล่าก็ย่อมมีแก่บุคคลผู้หลงเพราะเหตุนั้นประการแรกเมื่อธรรมะมีโสกะเป็นต้นเหล่านั้น เป็นไปแล้วอวิชาก็เป็นอันมีอยู่เองอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าความเกิดขึ้นแห่งอวิชาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาสวะดังนี้ก็และธรมมะทั้งหลายมีโสกะเป็นต้นนั่นก็ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาสวะ ข้อนี้มีอย่างไรอันดับแรกในกรณีที่พลัดพรากจากวัตถุ ก, กามโสกะก็เป็นอันเกิดขึ้นเพราะกามาสวะดังพระบาลีว่าตัตสะเจกามยานสะเปยานสัลวิโทวะรูปติหากว่าเมื่อชนผู้นั้นเกิดความพอใจรักใคร่กามเหล่าใดอยู่กามเหล่านั้น มาพากไปเสียไซเขาย่อมโศกาดุดถูกลูกสอนเสียบและดังพระบาลีว่าการมโตชายตีโสโกโความโศกย่อมเกิดแต่กามดังนี้ธรรมะทั้งหลายมีโสกาเป็นต้นทั้งปวงนั้นย่อมเป็นธรรมะเกิดขึ้นเพราะทิฏฐานสวะด้วยดังพระบาลีว่า ัสสะอาหังรูปังเปยานโทมนัตสุปายาสาโสกะบริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาทย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นผู้ยืนกรานด้วยทิฏฐิว่าเราเป็นรูปรูปเป็นของเราเพราะความที่รูปแปรผันและเปลี่ยนแปลไปดังนี้เป็นต้นอนหนึ่ง ธรรมะเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะความเกิดขึ้นแห่งทิฏฐาสวะได้ชันใดก็ยอมเกิดขึ้นเพราะความเกิดขึ้นแห่งภะวาสวะก็ได้ชันนั้นดังพระบาลีว่าแม้เทวดาเหล่านั้นใดผู้มีอายุยืนผิวพรรณงามมากไปด้วยความสุขสถิตยอยู่ในวิมานอันสูงตลอดการยาวนานแม้เทวดาเหล่านั้น ได้ฟังธรรมเทศนาของตถาคตแล้วยังต้องกลัวคือรู้จักกลัวสะดุ้งใจสลดใจธรรมะเหล่านั้นเกิดแก่เทวดาทั้งหลายเพราะความเกิดขึ้นแห่งภวาสวะดังความโศกเป็นต้นเกิดแก่เทวดาทั้งหลายผู้ถูกมรณะภัยคุกคามเพราะเห็นปุพานิมิตห้าฉะนั้นอันหนึ่งธรรมะเหล่านั้น เกิดเพราะความเกิดขึ้นแห่งภาวาสวะได้ฉันใดก็ยอมเกิดเพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชาสวะก็ได้ฉันนั้นดังพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายคนเขานั้นนั่นแหลย่อมได้สวยทุกทมานัสามประการในทิฏฐธรรมนี้ละดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุที่ธรรมะเหล่านั้น ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาสะวะดังกล่าวมาชนีดธรรมะเหล่านั้นเมื่อมีขึ้นจึงยังอาสะวะอันเป็นเหตุแห่งอวิชชาให้มีด้วยแลครั้นอาสะวะทั้งหลายมีแล้วแม้อวิชชาก็เป็นอันมีด้วยแท้เพราะเมื่อปัจจัยมีธรรมะที่เกิดแต่ปัจจัยก็ดีต้องมีแล ในปฏิจจสมุบาทเทสนานี้อวิชชาบัณฑิตพึงทราบว่าย่อมมีได้เพราะธรรมะทั้งหลายมีโสกะเป็นต้นโดยในยะดังกล่ามานี้เป็นประการแรกภาวจักมีเบื้องต้นไม่ปรากฏประการต่อไป เพราะความที่เมื่อปัจจัยมีธรรมะที่เกิดแต่ปัจจัยต้องมีดังนี้ครั้นอวิชามีขึ้นแล้วความจบสิ้นก็ไม่มีเพราะความสืบต่อกันแห่งเหตุและผลคือสังขารทั้งหลายก็มีขึ้นเพราะปัจจัยคืออวิชชาอีกวิญญาณก็มีขึ้นเพราะปัจจัยคือสังขารอีกอย่างนี้เป็นต้นเหตุใดเหตุนั้น เพราะว่าจักมีองค์สิบสองอันหมุนไปด้วยอำนาจความสัมพันธ์กันแห่งเหตุและผลนั้นจึงเป็นอันสําเร็จว่าคือเป็นได้ว่ามีเบื้องต้นไม่ปรากฏหากคําท้วงพึงมีว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นคือเมื่อไม่มีอะไรเป็นตัวตนเช่นนั้นการกล่าวความที่พระวาจาักมีเบื้องต้นว่าอวิชชาปัจยาสังคารานี่ก็ผิดนะสิ ดังนี้ไซพึงแก่ว่านี่ไม่ใช่การกล่าวความที่พระวาจจกมีเบื้องต้นหรอกแต่นั่นเป็นการกล่าวธรรมะที่เป็นตัวประธานต่างหากด้วยว่าอาวิชชาเป็นประธานแห่งวัตฏะสามจริงอยู่เพราะยึดอวิชชาไว้กิเลสวัฏที่เหลือแล้ววัดอีกสองมีกรรมวัดเป็นต้น ก็พันเอาคนเขาเข้าด้วยดุดเพราะจับหัวงูไว้ลำตัวงูที่เหลือก็พันเอาแขนคนจับเข้าฉะนั้นแต่เมื่อตัดอวิชชาขาดเสร็จแล้วความพ้นจากธรรมะเหล่านั้นก็มีขึ้นดุดเมื่อตัดหัวงูสำเร็จแล้วความพ้นจากความเป็นแขนที่ถูกงูพันก็มีขึ้นฉนั้นดังพระบาลีว่า ความดับแห่งสังขารย่อมมีเพราะความดับโดยสำรอกออกอย่างไม่เหลือแห่งอวิชชานั่นแหละดังนี้เป็นต้นนี่เป็นการกล่าวธรรมะอันเป็นตัวประธานที่เมื่อบุคคลยึดอยู่ย่อมเป็นผู้ถูกผูกพันเมื่อปล่อยเสียความพ้นย่อมมีมิใช่กล่าวความที่เพราะว่าจักมีเบื้องต้นดังนี้แล พระวาจักนี้บัณดิตพึงทราบว่ามีเบื้องต้นไม่ปรากฏดังกล่าวมาชนนี้พาาระวจักปราศจากผู้สร้างผู้เสวยพระวาจักนี้นั้นเพราะเหตุที่ความหมุนไปแห่งธรรมะทั้งหลายมีสังขารเป็นอาธิ ย่อมมีเพราะเหตุทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นจึงว่างเว้นจากผู้สร้างสังสาระคือพรหมเป็นต้นซึ่งกำหนดกันเอาเองอย่างนี้ว่าพรหมมาพระพรหมมหาพรหมมาเท้ามหาพรหมเศรษฐโธท่านผู้เป็นใหญ่สัชิตาท่านผู้บรรดาลอื่นไปจากเหตุมีอวิชชาเป็นต้นนั้นก็ดี จากผู้เสวยสุขและทุกข์คืออัตตาซึ่งกำหนดกันเอาเองอย่างนี้ว่าก็แล่อัตตาของเรานี้นั่นแหลเป็นวาโทคือผู้กล่าวเวเธอโยผู้เสวยฉันนี้ก็ดีภาวจักบัณฑิตพึงทราบว่าปราศจากผู้สร้างและผู้เสวยดังกล่าวมานี้ เขาว่าจากว่างเปล่าโดยสุญญตาสิบสองประการอีกประการหนึ่งในปฏิจจสมุปาธรรมนี้อวิชชาชื่อว่าว่างจากความยั่งยืนเพราะมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาหนึ่งว่างจากความงามเพราะเป็นสังกิเลสิกรธรรมเหตุเป็นธรรมะเศร้าหมองหนึ่ง ว่างจากความสุขเพราะถูกความเกิดและความเสื่อมไปบีบคั้นหนึ่งว่างจากความเป็นอัตตาคือที่หมายความว่าเป็นสิ่งบังคับได้เพราะมีความเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยหนึ่งแม้องค์ทั้งหลายมีสังขารเป็นต้นก็อย่างนั้นเหตุใดในยะหนึ่งอวิชามิใช่ตนมิใช่ของตน มิใช่มีในตนมิใช่มีตนแม้องค์ทั้งหลายมีสังขารเป็นต้นก็อย่างนั้นเหตุใดเหตุนั้นพวะวจจานั่นบัณฑิตพึงทราบเถิดว่าวางเปล่าโดยสุญญาตาสิบสองประการโดยนัยะดังกล่าวมามูลและกาลแห่งภวะวจจ์ คาถาสังเขปมูลและการก็แลกรันทราบอย่างนี้แลพึงทราบอีกว่าอาวิชชาและตันหาเป็นมูลแห่งพะวจากนั้นการของมันมีสามมีอดีตการเป็นต้นองค์ในการสามนั้นโดยสรุปก็เป็นสองเป็นแปดและเป็นสองเท่านั้นเอง ขยายความความว่าธรรมะสองคืออวิชชาและตันหาพึงทราบว่าเป็นมูลแห่งพระวาจาักนั้นนั่นแหละพระวาจาักนั้นเล่าก็จัดเป็นสองส่วนคือที่มีอวิชชาเป็นมูลมีเวทนาเป็นที่สุดเป็นพระวาจาักหนึ่งเพราะนำปัจจุบันผลมาแต่ส่วนเบื้องต้นคือส่วนอดีต ที่มีตันหาเป็นมูลมีชรามรณะเป็นที่สุดเป็นภาวจักหนึ่งเพราะต่อกับผลส่วนเบื้องปลายคืออนาคตในภาวจักสองส่วนนั้นภาวจักส่วนแรกกล่าวด้วยอำนาจบุคคลทิฏฐิจริตส่วนหลังกล่าวด้วยอำนาจบุคคลตันหาจริตด้วยว่าอาวิชชาเป็นสังสารนาญิกา คือผู้นำไปในสังสารสำหรับบุคคลที่ติดจริตทั้งหลายตัณหาเป็นสังสารนายิกาสำหรับบุคคลตัณหาจริตทั้งหลายในยะหนึ่งพระว จ, จักที่หนึ่งกล่าวเพื่อถอนอุเฉธาทิฏฐิเพราะประกาศความไม่ขาดศูนย์แห่งเหตุทั้งหลายโดยความเกิดขึ้นแห่งผลพระว จ, จักที่สอง กล่าวเพื่อถอนสัสตตตถิทิทีเพราะประกาศชรามรณะแห่งสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วในย่าหนึ่งภาวะจักรแรกกล่าวด้วยอำนาจขับเสยยักษ์สัตว์เพราะแสดงความหมุนไปแห่งธรรมะตามลำดับภาวะจักหลังกล่าวด้วยอำนาจอบปฏิกษัตร์เพราะแสดงความเกิดขึ้นพร้อมกัน แห่งอุปติภพและขันส่วนการของพระวจนะนั้นมีสามคืออดีตปัจจุบันและอนาคตในการสามนั้นว่าโดยที่มาในพระบาลีโดยรูปองสองคืออวิชชาและสังขารพึงทราบว่าเป็นอดีตการองแปด มีวิญญาณเป็นต้นมีพบเป็นที่สุดพึงทราบว่าเป็นปัจจุบันการองสองคือชาติและชรามรณะพึงทราบว่าเป็นอนาค ต, ตการสนที่สามสังคหสีอาการยี่สิบวัตตะสามแห่งภาว จ, จัก พึงทราบแม้ดังนี้อีกว่าภาวะจักนั่นสนธิสามในวงเล็บเงื่อนต่อมีคำว่าเหตุและผลผลเหตุเป็นบทหน้าและมีสังคหะคือสังเขปสี่ประเภทมีสี่กรรมคืออาการยี่สิบมีวัตตะคือวงกลมสามย่อมหมุนไปไม่หยุดจนกว่าจะถึงอารหัตตมรัก ขยายความสนทิสามในสนทิสามนั้นเงื่อนอันหนึ่งในระหว่างสังขารกับปฏิสนธิวิญญาณชื่อว่าเหตุผลสนธิคือต่อเหตุกับผลเงื่อนอันหนึ่งในระหว่างเวทนากับตัณหาชื่อว่าผลเหตุสนธิคือต่อผลกับเหตุ เงื่อนอันหนึ่งในระหว่างพบกับชาติชื่อว่าเหตุผลสนธิคือต่อเหตุกับผลเพราวะว่าจากนี้บรรดิตพึงทราบว่ามีสนธิสามมีอำนาจเหตุผลและเหตุเป็นบทหน้าอย่างนี้แลสังคหะสี่ส่วนสังคหะ แห่งภาวะจากนั้นกำหนดด้วยองค์ต้นกับปลายแห่งสนธิทั้งหลายเป็นสี่คืออย่างไรบ้างคืออวิชชาและสังขารเป็นสังคหะที่หนึ่งวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาเป็นสังคหะที่สองตัณหาอุปาทานพบเป็นสังคหะที่สาม ชาติชรามรณะเป็นสังคหะที่สี่ภาวะจากนี้บัณดิตพึงทราบว่ามีสังคหะสี่ประเภทดังนี้แหละอาการยี่สิบอันหนึ่งภาวะจากนี้บัณดิตพึงทราบว่ามีอาการยี่สิบโดยสี่กรรม ในที่นี้คือเปรียบเหมือนซี่ล้อนะครับคถาสังเขปอาการยี่สิบกล่าวคืออาการยี่สิบนั่นคือเหตุในการล่วงแล้วห้าผลในการบัดนี้ห้าเหตุในการบัดนี้ห้าผลในการต่อไปห้าขยายความอดีตเหตุห้า ในสี่ข้อนั้นข้อว่าเหตุในการล่วงแล้วห้าขยายความว่าชั้นแรกอดีตเหตุนั้นก็กล่าวเอาธรรมะสองประการคืออวิชากับสังขารนี้เท่านั้นแต่เพราะคนไม่รู้ย่อมทะเยอทยานคนทะเยอทยานย่อมถือมัน่นเพราะความถือมั่นของเขาเป็นปัจจัยพบก็มีขึ้นเพราะฉะนั้น แม้ตันหาอุปาทานและภพก็จึงถูกรวมเข้าด้วยเหตุนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงกล่าวไว้ว่าความหลงในปุริกรรมมภพเป็นอวิชชาเจตนาอันประมวลไว้ในบุริกรรมมภพเป็นสังขารความใกล้ในปุริกรรมมภพเป็นตันหาความคล่องแวะในบุริกรรมมภพ เป็นอุปาทานเจตนาในปุริก ร, รมะภพเป็นผลผลธรรมห้าประการดังกล่าวนี้ในปุริก ร, รมะภพย่อมเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิในภพนี้อัฏฐะแห่งพระบาลีนั้นพึงทราบดังนี้ว่าในบทเหล่านั้นบทว่าในปุริก ร, รมะภพ คือในกรรมมาพบที่มีมาก่อนหมายความว่าในกรรมาพบที่ได้ทามาในชาติที่ล่วงแล้วคำว่าความหลงเป็นอวิชชาความว่าความหลงในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความหลงทั้งหลายมีทุกเป็นต้นในการนั้นอันใดบุคคลผู้หลงแล้วทำกรรมด้วยความหลงอันใด ความหลงอันนั้นเป็นอวิชชาคำว่าเจตนาอันประมวลไว้เป็นสังขารได้แก่เจตนาดวงแรกๆของบุคคลผู้ทำกรรมนั้นดังเช่นเจตนาดวงแรกๆที่เกิดขึ้นแก่ทายกผู้ยังจิตให้เกิดขึ้นว่าเราจกให้ทานแล้วตระเตรียมเครื่องอุปกรณ์แห่งทานทั้งหลายอยู่เดือนหนึ่งก็ดีปีหนึ่งก็ดี ส่วนเจตนาของทายกนั้นผู้วางทักษิณาลงในมือของปฏิคาหกทั้งหลายเรียกว่าภพในยะหนึ่งเจตนาในชวนะหกที่เป็นจิตมีอวชนะเดียวชื่อว่าเจตนาอันประมวลไว้นับเป็นสังขารเจตนาในชวนะที่เจ็ดเป็นภพหรือมิฉนั้น เจตนาทุกดวงเป็นภพธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตกับเจตนาเหล่านั้นชื่อว่าเจตนาอันประมวลไว้เป็นสังขารคำว่าความใคร่เป็นตันหาความว่าเมื่อบุคคลทำกรรมอยู่ความใคร่คือความปรารถนาในอุปติภพ อันเป็นผลของกรรมนั้นอันใดความใครอันนั้นชื่อว่าตัญหาคำว่าความคล้องแวะเป็นอุปาทานความว่าการที่ทำกรรมอันเป็นปัจจัยแก่กรรมภพนี้แล้วคล้องแวะคือคือเอายึดเอาอันเป็นไปโดยนัยยะว่าเราจักไปเกิด เสบการทั้งหลายในที่ชื่อโน้นหรือว่าเราจะกขาดศูนย์คือไม่เกิดดังนี้เป็นต้นอันใดความคล้องแวะอันนี้ชื่อว่าอุปาทานคำว่าเจตนาเป็นภพคือเจตนาที่กล่าวแล้วในที่สุดแห่งเจตนาอันประมวลไว้เป็นภพ ปัจจุบันผลข้อว่าผลในการบัดนี้ห้าได้แก่องค์มีวิญญาณเป็นต้นมีเวทนาเป็นที่สุดอันมาในพระบาลีนั่นเองดังพระบาลีว่าปฏิสนธิในปัจจุบันภพนี้เป็นวิญญาณความก้าวลงในคันในปัจจุบันภพนี้เป็นนามรูป ประสาทในปัจจุบันนภพนี้เป็นอายตนะภาวะที่กระทบอารมณ์ในปัจจุบันนภพนี้เป็นผัสสะความสวยวิบากในปัจจุบันนภพนี้เป็นเวทนาธรรมะห้าประการดังกล่าวนี้มีในอุปติภพนี้เพราะกรรมที่ทำไว้ในภพก่อนเป็นปัจจัย อัฏฐาแห่งพระบาหลีนั้นพึงทราบดังนี้ว่าในคำเหล่านั้นคำว่าปฏิสนธิเป็นวิญญาณหมายความว่าสิ่งใดท่านเรียกว่าปฏิสนธิเพราะเกิดขึ้นด้วยอำนาจการเชื่อมต่อพบอื่นกับปัจจุบันพภบนี้สิ่งนั้นเป็นวิญญาณคำว่าความก้าวลงเป็นนามรูป ความว่าความก้าวลงแห่งรูปธรรมและอารูปธรรมในคันราวกับ ว, ว่ามาแต่ที่อื่นและเข้าไปในคันอันใดอันนี้เป็นนามรูปคําว่าประสาทเป็นอายตนะนี่ท่านกล่าวด้วยอํานาจอายตนะห้ามีจักขายตนะเป็นต้นคําว่าภาวะที่กระทบอารมณ์เป็นผัสสะ ความว่าภาวะที่กระทบคือเกิดขึ้นถูกต้องอารมณ์ใดอันนี้เป็นพัสสะคำว่าความสวยเป็นเวทนาความว่าความสวยวิบากอันเกิดขึ้นร่วมกับปฏิสนธิวิญญาณก็ดีกับพัสสะที่มีสลายตนะเป็นปัจจัยก็ดีความสวยวิบากนั้นเป็นเวทนา ปัจจุบันเหตุห้าข้อว่าเหตุในการบัดนี้ห้าได้แก่ปัจจัยธรรมมีตัณหาที่มาในพระบาลีก็ตัณหาอุปาทานและภพแต่เมื่อพบถูกถือเอาแล้วสังขารอันเป็นบุพภาคของภพนั้นหรือว่าที่สัมปยุตกับภพบนั้นก็เป็นอันถือเอาด้วย และด้วยการถือเอาตันหาอุปาทานอวิชชาอันสัมปยุติกับตันหาอุปาทานนั้นหรือว่าที่เป็นเหตุทำกรรมแห่งคนหลงก็เป็นอันถือเอาด้วยดังนี้แหละปัจจุบันเหตุจึงเป็นห้าเหตุนั้นพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าเพราะความที่อายตนะทั้งหลายงอมแล้วในภพนี้ความหลงเป็นอวิชชา เจตนาอันพยายามเป็นสังขารความใคร่เป็นตันหาความคล่องแวะเป็นอุปาทานเจตนาเป็นภพธรรมะห้าประการดังกล่าวนี้ในกรรมมาภพนี้ย่อมเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิในภพต่อไปในคำเหล่านั้นคำว่า เพราะความที่อายตนะทั้งหลายงอมแล้วในพบนี้ท่านแสดงความลุ่มหลงในเวลาทำกรรมแห่งบุคคลผู้มีอายตนะงอมแล้วคำที่เหลือมีเนื้อความชัดเจนแล้วอนาคตผลห้าข้อว่าผลในการต่อไปห้าได้แก่ องห้ามีวิญญาณเป็นต้นธรรมะห้านั้นท่านกล่าวโดยถือเอาว่าเป็นชาติส่วนชรามรณะก็คือชรามรณะแห่งธรรมะเหล่านั้นนั่นเองเหตุนั้นพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าปฏิสนธิในภพต่อไปเป็นวิญญาณความก้าวลงในคันในภพต่อไปเป็นนามรูป ประสาทในภพต่อไปเป็นอายตนะภาวะที่กระทบอารมณ์ในภพต่อไปเป็นผัสสะความสวยผลในภพต่อไปเป็นเวทนาธรรมะห้าประการดังกล่าวนี้มีในอุปติภพต่อไปเพราะกรรมที่ทําในภพนี้เป็นปัจจัยภาวะจากนี้ มีซี่กรรมคือซี่ล้อคืออาการยี่สิบดังกล่าวมาชนีวัตตะสามส่วนในข้อว่าพระว จ, จักษ์มีวัตตะสามหมุนไปไม่หยุดนี้มีอัธาธิบายว่าพระว จ, จักษ์นี้มีวัตตะสาม โดยวัตตาสามนี้คือสังขารและภพเป็นกรร ม, มวัตรอวิชชาตันหาและอุปาทานเป็นกิเลสวัตรวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาเป็นวิปากวัตรพึงทราบเถิดว่ากิเลสวัตรยังไม่ขาดลงตราบใดก็ชื่อว่าหมุน เพราะเป็นไปรอบแล้วรอบเล่าชื่อว่าไม่หยุดเพราะมีปัจจัยยังไม่ขาดลงตราบนั้นอยู่นั่นเองความรู้เบตเตะเลดในภาวะจักภาวะจักนั้นอันหมุนอยู่อย่างนั้นบัณฑิตพึงทราบโดยว่าองค์ไหนเกิดแก่สัจจะไหน และองค์ไหนเป็นสัจจะอะไรหนึ่งโดยกิจหนึ่งโดยเป็นเครื่องกั้นหนึ่งโดยอุปมาทั้งหลายหนึ่งโดยต่างความลึกหนึ่งโดยต่างนัยยะหนึ่งอีกตามควรขยายความโดยว่าองค์ไหนเกิดแต่สัจจะไหนในข้อเหล่านั้น เพราะเหตุกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลท่านกล่าวไว้ในสัจจะวิพังว่าเป็นสมุทยาสัตว์โดยไม่แปล ก, กันในธรรมะทั้งหลายในบทว่าอาวิชชาปัจจญาสังขาราเป็นต้นสังขารอันมีเพราะอาวิชชาจึงเป็นทุติยสัตว์เกิดแต่ทุติยสัตว์ด้วยกันวิญญาณอันมีเพราะสังขารเป็นปฐมสัตว์ เกิดแต่ทุต so, uh, e like ิยสัตว์องค์มีนามรูปเป็นต้นมีเวทนาที่เป็นวิบากเป็นที่สุดอันมีเพราะวิญญาณเป็นต้นเป็นปฐมมสัตว์เกิดแต่ปฐมมสัตว์ด้วยกันตัณหาอันมีเพราะเวทนาเป็นทุติยสัตว์เกิดแต่ปฐมมสัตว์อุปาทานอันมีเพราะตัณหาเป็นทุติยสัตว์เกิดแต่ธุติยสัตว์ด้วยกัน ภพอันมีพระอุปาทานเป็นปฐมสัตว์และทุติยสัตว์ทั้งสองเกิดแต่ทุติยสัตว์ชาติอันมีเพราะพบเป็นปฐมสัตว์เกิดแต่ทุติยสัตว์ชรามรณะอันมีเพราะชาติเป็นปฐมสัตว์เกิดแต่ปฐมสัตว์ด้วยกันสัตว์ในที่นี้คือสัตจะนะครับภาวะจากนี้ บัณดิตพึงทราบโดยว่าองค์ไหนเกิดแต่สัจจะไหนตามควรโดยนัยยะดังกล่าวมาชนี้เป็นอันดับแรกโดยกิจอีกข้อหนึ่งเหตุใดในองค์เหล่านี้อวิชยามย่อมสัตว์ทั้งหลายให้ลุ่มหลงในวัตถุคืออารมณ์ทั้งหลาย และเป็นปัจจัยเพื่อความปรากฏขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายด้วยในยะเดียวกันนั้นสังขารก็ปรุงแต่งสังคตธรรมและเป็นปัจจัยแก่วิญญาณด้วยฝ่ายวิญญาณก็รับรู้วัตถุคืออารมณ์และเป็นปัจจัยแก่นามรูปด้วยข้างนามรูปก็ค้ำจุนกันและกันและเป็นปัจจัยแก่สลายตรณหด้วย สลายตัณหเล่าก็เป็นไปในวิสัยของตนของตนมีรูปเป็นตน้นและเป็นปัจจัยแก่ภัสสด้วยผัสสเล่าก็สัมผัสอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เวทนาด้วยเวทนาเล่าก็สวยรสอารมณ์และเป็นปัจจัยแก่ตัณหาด้วยตัณหาเล่าก็กำหนดยินดีในธรรมะเป็นที่ตั้ง แห่งความกำนัดยินดีและเป็นปัจจัยแก่อุปาทานด้วยอุปาทานเล่าก็ถือมั่นในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความถือมั่นและเป็นปัจจัยแก่ภพด้วยภพเล่าก็พล่านไปในคติต่างๆและเป็นปัจจัยแก่ชาติด้วยชาติเล่าก็ยังคันทั้งหลายให้เกิด และเพราะเป็นไปโดยเป็นอาการเกิดขึ้นแห่งขันทั้งหลายนั้นจึงเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะด้วยชรามรณะเล่าก็ครอบเอาความงอมและความแตกแห่งคันทั้งหลายไว้และเป็นปัจจัยเพื่อความปรากฏขึ้นในภพอื่นเพราะเป็นที่ตั้งคือเป็นเหตุแห่งปกินนกะทุกมีโสกะเป็นต้น เหตุนั้นเพราะว่าจากนี้บัณฑิตพึงทราบแม้โดยกิจคือความเป็นไปโดยหน้าที่สองในบททั้งปวงตามควรโดยเป็นเครื่องกันอีกข้อหนึ่งเหตุใดในบทเหล่านี้ บทว่าสังขารมีเพราะปัจจัยคืออวิชชานี้เป็นเครื่องกัน้นคือปฏิเสธความเห็นว่ามีผู้สร้างบทว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือสังขารเป็นเครื่องกัน้นความเห็นว่าอัตตาเคลื่อนที่ได้บทว่านามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นเครื่องกัน้นคณะสัญญา ความสําคัญว่าเป็นก้อนเพราะแสดงความแตกได้แห่งวัตถุที่คนเขากําหนดเอาเองว่าเป็นอัตตาบทว่าสลายตรนะมีเพราะปัจจัยคือนามรูปเป็นต้นเป็นเครื่องกั้นความเห็นผิดต่างๆมีเห็นว่าอัตตาเห็นอัตตารู้สึกอัตตาสัมผัสอัตตาเสวยเวทนาอัตตาอยากอัตตาถือมั่น อัตตาเป็นอัตตาเกิดอัตตาแก่อัตตาตายดังนี้เป็นต้นเหตุนั้นราะวะจากนั้นบัณฑิตพึงทราบแม้โดยเป็นเครื่องกั้นความเห็นผิดตามควรโดยอุปมาอีกข้อหนึ่งเหตุใดในองค์เหล่านี้ อวิชชาอุปมาเหมือนคนบอดเพราะไม่เห็นธรรมะทั้งหลายทั้งโดยลักษณะประจำตัวของธรรมะนั้นๆทั้งโดยสามั ญ, ญลักษณะสังขารอันมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาเหมือนการก้าวพลาดของคนบอดวิญญาณอันมีเพราะปัจจัยคือสังขารเหมือนการหกล้มของคนก้าวพลาด นามรูปอันมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณเหมือนความเกิดเป็นแผลฝีขึ้นแห่งคนหกลม้มสลายตนะอันมีเพราะปัจจัยคือนามรูปเหมือนต่อมคือหัวฝีอันเกิดขึ้นเพื่อให้ฝีแตกผัฏสะอันมีเพราะปัจจัยคือสลายตนะเหมือนอะไรกระทบต่อมฝีเข้า เวทนาอันมีเพราะปัจจัยคือผัสสะเหมือนความทุกข์เจ็บปวดเกิดแต่การกระทบตัณหาอันมีเพราะปัจจัยคือเวทนาเหมือนความปรารถนาจะแก้ทุกข์อุปาทานอันมีเพราะปัจจัยคือตัณหาเหมือนการคว้าเอายาสแสลงด้วยมุ่งแต่จะแก้ทุกข์ภพอันมีเพราะปัจจัยคืออุปาทาน เหมือนการทายาสแสลงที่ตอนถือไว้ชาติอันมีเพราะปัจจัยคือพบเหมือนเกิดเป็นฝีกลายเพราะทายาสแสลงเข้าชจรามรณะอันมีเพราะชาติเหมือนความแตกแห่งฝีเพราะฝีกลายหรือในย่าหนึ่ง เหตุใดในองค์เหล่านี้อวิชาย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายไว้โดยทำให้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดเหมือนเฝ้างำดวงตาทั้งสองข้างไว้คนโง่ที่ถูกอวิชานั้นครอบงำไว้แล้วยอมห่อตัวไว้ด้วยสังขารทั้งหลายอันนาไปสู่พบใหม่เหมือนตัวไหมห่อตัวได้ด้วยส่วนส่วนหนึ่งแห่งฝักไหม วิญญาณที่สังขารครอบครองแล้วยอมได้ที่อาศัยในคติทั้งหลายเหมือนพระราชกุมารที่ปรินายกปกป้องแล้วยอมได้ความสนับสนุนในราชสมบัติวิญญาณย่อมอยังนามรูปมากประการให้เกิดในปฏิสนธิเพราะตรึกไปในอารมณ์อันเป็นนิมิตแห่งอุปาติมีกรรมนิมิตเป็นต้นเหมือนนักเล่นกลทากลให้เกิดได้หลายประการ สลายตระนะที่ตั้งมั่นอยู่ในนามรูปแล้วย่อมถึงความเจริญงอกงามไพ่บูนเหมือนพุ่มไม้ในป่าที่ตั้งมั่นอยู่ในพื้นดินดีย่อมถึงความเติบโตงอกงามแผ่กว้างผัสสะย่อมเกิดเพราะความกระทบกันแห่งอายตนะเหมือนไฟเกิดเพราะการสีแห่งไม้สีไฟอันบน เวทนาย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ถูกภัตตกระทบเหมือนความร้อนเกิดแก่คนที่ไฟถูกเอาตัณหาย่อมเจริญมากแก่คนที่เสวยเวทนาอยู่เหมือนความกระหายเพิ่มมากขึ้นแก่คนที่ดื่มน้ำเกลือเข้าไปผู้เทเยทะยานด้วยตัณหาย่อมทำความปรารถนาในภพทั้งหลาย เหมือนคนกระหายปรารถนาในน้ําดื่มการทําความปรารถนานั้นนับเป็นอุปาทานของเขาเขาย่อมมั่นด้วยอุปาทานเหมือนปลายึดเอาเบ็ดไว้มั่นด้วยความโลภในเหยือ่อเมื่อพบมีอยู่ชาติก็ย่อมมีเหมือนเมื่อพืชมีอยู่หนอกก็ย่อมมี สรามรณะย่อมมีแก่ผู้เกิดมาแล้วแน่แท้เหมือนการล้มย่อมมีแก่ต้นไม้ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแน่เหตุนั้นพระวจากนั้นบัณฑิตพึงทราบแม้โดยอุปมาทั้งหลายดังกล่าวมาชนี้ตามควรโดยต่างความลึก อีกข้อหนึ่งเหตุใดคำพระบาลีว่าอานน์ก็แลปฏิจจะสมุบาตนี้เป็นธรรมะลึกด้วยเขาที่ปรากฏออกมาก็ลึกด้วยดังนี้พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาความที่ปฏิจจะสมุบาตนั้นเป็นธรรมะลึกทั้งโดยอัรฐะคือผลทั้งโดยธรรมะคือเหตุทั้งโดยการแสดงทั้งโดยปฏิเวท เหตุนั้นภาวะจากนั้นบัณฑิตพึงทราบแม้โดยตางความลึกตามควรลึกโดยผลในความลึกเหล่านั้นเหตุใดอัฏฐะคือความที่ชะรามรณะเกิดขึ้นเป็นไปพร้อมเพราะปัจจัยคือชาติชื่อว่าเป็นธรรมะลึกเพราะอัฏฐะคือความที่ชรามรณะ เป็นไปพร้อมเพราะปัจจัยคือชาติอย่างนี้ว่าจะรามรณะย่อมไม่มีแต่ชาติหามีไม่และเว้นชาติเสียมันจะมีเหตุอื่นก็หามีไม่และมันย่อมเป็นไปพร้อมแต่ชาติด้วยประการอย่างนี้ดังนี้เป็นธรรมะที่รู้ได้ยากในยะเดียวกันนั้นอัฏฐะคือความที่ชาติเกิดขึ้นเป็นไปพร้อมเพราะปัจจัยคือพบ ปยานอัฏฐะคือความที่สังขารเกิดขึ้นไปพร้อมเพราะปัจจัยคืออวิชชาล้วนเป็นธรรมะลึกเหตุนั้นภาวะจากนี้จึงชื่อว่าลึกโดยอัฏฐะแลนี่เป็นความลึกโดยอัฏฐะคือผลในภวะจากนี้เป็นอันดับแรกแท้จริงผลที่เกิดแต่เหตุท่านเรียกว่าอัฏะ ดังพระบาลีว่าความรู้ในผลอันเกิดแก่เหตุชื่อว่าอัตตะปฏิสัมพิทาลึกโดยเหตุประการหนึ่งเหตุใดอัตตะคือความที่อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลายชื่อว่าเป็นธรรมะลึก เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารนั้นๆโดยอาการใดและโดยสถานะใดอาการนั้นและสถานะนั้นเป็นกรณีที่รู้ได้ยากในยะเดียวกันนั้นอัฏฐะคือความที่สังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเป ย, ยาญอัฏฐะคือความที่ชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะล้วนเป็นธรรมะลึกเหตุนั้น ภาวะจากนี้จึงชื่อว่าลึกโดยธรรมะแลนี่เป็นความลึกโดยธรรมะคือเหตุในภาวะจากนี้แท้จริงคําว่าธรรมะเป็นชื่อแห่งเหตุดังพระบาลีว่าความรู้ในเหตุชื่อว่าธรรมะปฏิสัมพิทาลึกโดยการแสดง ประการหนึ่งเหตุใดแม้การแสดงปฏิจจสมุปบาทนั้นก็ลึกเพราะเป็นการแสดงที่พึงให้ดำเนินไปโดยเหตุนั้นนั้นโดยประการนั้นๆั้ยานอื่นแต่พระสัพพัญยุตยานยอมไม่ได้ที่ตั้งในปฏิจจสมุปบาทนั้นจริงอย่างนั้นพระวาจากนั้นในบางสูตรทรงแสดงอนุโลมบางสูตรทรงแสดงโดยปฏิโลม บางสูตรส่งแสดงทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมบางสูตรส่งแสดงตั้งแต่ตอนกลางไปโดยอนุโลมบ้างบางสูตรส่งแสดงทั้งสามสนธิสี่สังเขปบางสูตรส่งแสดงสองสนธิสามสังเขปบางสูตรส่งแสดงแต่สนธิเดียวสองสังเขปเหตุนั้นเพราะว่าจากนี้จึงชื่อว่าลึกโดยการแสดงผล นี่เป็นความลึกโดยการแสดงลึกโดยปฏิเวทประการหนึ่งเหตุใดในปฏิจะสมุบาทธรรมนี้สภาวะแห่งธรรมะมีอวิชชาเป็นต้นนั้นใดอันหนึ่งเพราะสภาวะใดที่พระโยคาวจรแทงตลอดแล้ว ธรรมะทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นก็เป็นอันได้แทงตลอดโดยลักษณะประจำตัวของธรรมะนั้นๆอย่างถูกต้องด้วยสภาวะนั้นจัดว่าลึกเพราะอย่างได้ยากเหตุนั้นเพราะว่าจากนี้จึงชื่อว่าลึกโดยปฏิเวทในยะเดียวกันนั้นแหละเหตุใดในปฏิจะสมุบาทธรรมนี้ อัถะคือความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่แทงตลอดด้วยดีซึ่งสัจจะแห่งอวิชชาก็ลึกอัถะคือความปรุงแต่งความพอกพูนขึ้นความเป็นไปกับราคาความแย้งต่อราคาแห่งสังขารทั้งหลายก็ลึกอัถะคือความว่างเปล่าความไม่ขวนขวายคือไม่มีความคิดความไม่เคลื่อนที่ไป แต่ปรากฏโดยปฏิสนธิได้แห่งวิญญาณก็ลึกอัฏฐะคือความเกิดขึ้นพร้อมกันความแยกกันความแยกกันไม่ได้ความน้อมไปได้ความสลายได้แห่งนามรูปก็ลึกอัฏฐะคือความเป็นอธิปดีความเป็นโลกความเป็นทวารความเป็นเขตความเป็นวิสยยคือเป็นอินทรีย์ แห่งสลายตนะนก็ลึกอัตทะคือความต้องกันเข้าความเบียดกันเข้าความถึงกันเข้าความประชุมกันเข้าแห่งภสษะก็ลึกอัตทะคือความสวยรสอารมณ์ความเป็นสุขเป็นทุกข์และกลางกลางความสวยอย่างนิจชีวะคือไม่มีอัตตาผู้สวยแห่งเวทนาก็ลึก อัฏฐะคือความเพลิดเพลินความจอดใจความปรารถนาที่ไหลรุดดุดลำธารแผลคลุมดุดเครือเถาแผ่กว้างดุดแม่น้ำและไม่รู้จักเต็มดุดทะเลแห่งตันหาก็ลึกอัฏฐะคือความยึดความถือความปักใจความจับใจความก้าวลวงยากแห่งอุปาทานก็ลึก อัตตะคือความประมวลไว้ความปรุงแต่งไว้และความสัตยไปในกำเนิดในคติในวิญญาณนิทติและในสันตานิวาสแห่งพบก็ลึกอัตตะคือความเกิดความได้กำเนิดความอย่างลงในคันความผลิตขึ้นความปรากฏขึ้นแห่งชาติก็ลึก อัตตะคือความสิ้นไปความเสื่อมไปความตกไปความแปรไปแห่งชรามรณะก็ลึกเหตุนั้นเพราะว่าจากนี้จึงชื่อว่าลึกโดยปฏิเวทแลนี้เป็นความลึกโดยปฏิเวทในปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ โดยต่างในยะประการหนึ่งเหตุใดในปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้มีในยะแห่งอัฏฐะอยู่สี่คือเอกัตตนาในในยะแห่งอัฏฐะเป็นอันเดียวนานัตตนยัยนในยะแห่งอัฏะต่างกันอัพยาปารณในในยะแห่งอัฏฐะว่าไม่มีความขวนขวายและเอวังธรรมตาในา นัยยะแห่งอัฏถาว่าเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองเหตุนั้นเพราะว่าจากนั้นบัณฑิตจึงควรทราบแม้โดยความต่างนัยยะอีกตามควรเอกัตตนยัยในสี่นัยยะนั้นความเม่ขาดสายแห่งความสืบต่อดังนี้คือสังขารมีเพราะปัจจัยคืออวิชชา วิญญาณมีเพราะปัจจัยคือสังขารเป็นต้นดุจความที่พืชถึงความเป็นต้นไม้เพราะความมีขึ้นแห่งอวัยวะของต้นไม้มีนอเป็นต้นสืบต่อกันมาฉะนั้นชื่อว่าเอกัตตนยซึ่งเป็นไนยะที่เมื่อพระโยคาวจรเห็นโดยถูกต้องย่อมละอุเฉททิฏฐิได้เพราะอย่างรู้ความไม่ขาดสายแห่งความสืบต่อ อันเป็นไปอยู่โดยความสัมพันธ์กันแห่งเหตุและผลเมื่อเห็นผิดไปยอมจะยึดมั่นสัตตตทิฏฐิเพราะถือเอาความไม่ขาดสายแห่งความสืบต่ออันเป็นไปอยู่ด้ดยความสัมพันธ์กันแห่งเหตุและผลว่าเป็นอันเดียวไปเสียนานัตันใย ส่วนการกำหนดลักษณะของรายของมันแห่งธรรมะทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นชื่อว่านานัตนัยซึ่งเป็นนยะที่เมื่อเห็นโดยถูกต้องย่อมละสัสตตะทิฏฐิได้เพราะเห็นความเกิดขึ้นแห่งสิ่งใหม่ๆเมื่อเห็นผิดไปย่อมจะยึดมั่นอุเฉททิฏฐิเพราะถือเอาเหตุผลอันตกอยู่ในสันดานเดียวกัน คือมีสันตติเดียวกันดังกล่าวแล้วสันดานมาแตกลงคือตายนั่นเองว่าต่างกันคือเป็นคนละอันไม่สืบต่อกันไปเสียอัพยาปารณัยความที่อวิชชาไม่มีความขวนขวายคือไม่มีความคิดว่าสังขารทั้งหลายฆ่าทาให้เกิดขึ้น หรือว่าสังขารไม่มีความขวนขวายคือไม่มีความคิดว่าวิญญาณค่าทำให้เกิดขึ้นดังนี้เป็นอาทิชื่อว่าอัพยาปารณัยซึ่งเป็นนยะที่เมื่อเห็นโดยถูกต้องย่อมละอัตตทิฏฐิคือความเห็นว่ามีอัตตาได้เพราะอย่างรู้ความไม่มีผู้สร้างเมื่อเห็นผิดไปย่อมจะยึดเอาอากิริยาทิฏฐิ เพราะไม่ถือเอาความเป็นเหตุแห่งธรรมะทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นซึ่งแม้เมื่อความควรขวายไม่มีก็มีได้โดยสภาวะนิยมเอวังธรรมตาในส่วนนยะว่าความเกิดขึ้นแห่งผลมีสังขารเป็นต้นย่อมมีแต่เหตุ มีอวิชชาเป็นต้นเท่านั้นดุดความเกิดขึ้นแห่งนมส้มเป็นต้นย่อมมีแต่นมสดเป็นต้นฉะนั้นมิใช่อื่นดังนี้ชื่อว่าเอวังธรรมตาในซึ่งเป็นนิย่าที่เมื่อเห็นโดยถูกต้องย่อมละอเหตุกาทิฏฐิและอากิริยาทิฏฐิได้เพราะอย่างรู้ผลโดยสมควรแก่ปัจจัยเมื่อเห็นผิดไป ย่อมจะยึดมั่นอหตุกาทิฏฐิและนิยตาวาทะเพราะไม่ถือเอาความเป็นไปแห่งผลตามควรแก่ปัจจัยแล้วยังถือว่าสิ่งอะไรอะไรไม่ได้เกิดแต่เหตุอะไรอะไรถือว่าสุดแต่โชคเคราะห์ต่างหากแลภาวะจักนี้บัณฑิตพึงทราบโดยว่าองค์ไหนเกิดแต่สัจจะไหนหนึ่ง โดยกิจหนึ่งโดยเป็นเครื่องกั้นหนึ่งโดยอุปมาทั้งหลายหนึ่งโดยต่างความลึกหนึ่งโดยต่างนัยยะหนึ่งตามควรด้วยประการชนีเพราะเหตุที่บุคคลผู้อย่างมิได้ทำลายภพระวจักอันอยังไม่ถึงเพราะเป็นธรรมะลึกอันต่อต้านยากเพราะถือเอาได้โดยนัยยะต่างๆนี้เสียด้วยดาบ คือยานอันลับดีที่หินอย่างประเสริฐคือสมาธิแล้วและล่วงสังขารับภัยอันเป็นขั้นอยู่เป็นนิดดุดอัสนีวิจักคือสายฟ้าไปได้ไม่มีสักคนแม้ในฝันจริงอยู่ข้อนี้แม้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้ว่าอานนนก็ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมะลึกด้วย เขาที่ปรากฏออกมาก็ลึกด้วยอานนก็เพราะไม่เข้าใจไม่รู้ตามธรรมะนั่นมูสัต์นี้จึงเกิดเป็นผู้ยุ่งเหยิงดุดได้ยุ่งเกิดเป็นผู้ซับซ้อนดุดรังนกคุณิเกิดเป็นผู้สับสนดุดหญ้ามุงกระต่ายและยาปล่องไม่ล่วงอบายทุกติวินิบาตสงสารไปได้ดังนี้ เพราะเหตุนั้นบัณฑิตผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่ตนก็ดีแก่ผู้อื่นก็ดีพึงละกิจ เ, จเ็จเศษเสียแล้วจะได้ความอย่างลงมั่นในประเภทแห่งปัจจาัการอันลึกนี้ด้วยประการใดก็พึงเป็นผู้แสดงประกอบเนืองๆด้วยประการนั้นเถินปริเชตที่สิบเจ็ด ชื่อปัญญาภูมินิเทศในอธิการแห่งปัญญาภาวนาในปรกรณ์วิเศษชื่อวิสุธทธิมักอันคาพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมชแห่งสาธุชนดังนี้จบปริเชตที่17เจ็ดคำีวิสุธทธิมักพระพุทธโคสะเทระรจนา